6. เพศัชชะขันธกะ 160. ปัญจะเพศัชชะกระถาว่าด้วยทรงอนุญาตเพศัตห้าเรื่องภิกษุอาพาธในฤดูศาสตร์อยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินดิกะเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายป่วยด้วยอาพาธที่เกิดในฤดูศาสแม้ข้าวต้มที่ดื่มเข้าไปก็กลับอาเจียนออกมาแม้ข้าวสวยที่ฉันแล้วก็กลับอาเจียนออกมาภิกษุเหล่านั้นสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่ง เพราะโรคนั้นพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพั่งจึงตรัส ถ, ถามท่านพระอานนท์ว่าอานนท์ทําไมเวลานี้ภิกษุทั้งหลายจึงสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพั่ง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 เพราะโรคนั้นพระพุทธเจ้าข้า